กามทั้งหลายเปรียบด้วยคาบและหลาวเหมือนหัวงูเห่าเปรียบด้วยคบเพลิงเผาอยู่เนืองๆ เ, เหมือนร่างกระดูกกามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากเหมือนงูที่มีพิษมากเหมือนก้อนเหล็กอันไฟติดทั่วเป็นลากเง้าแห่งทุกข์มีทุกข์เป็นผลกามทั้งหลาย เปรียบเหมือนผลไม้อันเป็นพิษเหมือนชิ้นเนื้อนำมาซึ่งทุกการทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันเป็นของหลอกลวงเหมือนของที่ยืมเข้ามาเปรียบได้หอกและเหลาวเป็นโลกเป็นดังหัวฝีเป็นความทุกข์ยากเป็นความลำบากเช่นดังหลุมทานเพลิงเป็นลากเง้าแห่งความทุกเป็นภัยเป็นนายเพชชขาต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 ส่วนผู้ใดงดเว้นหญิงเหล่านั้นเหมือนบุคคลสลัดหัวงูด้วยเท้าผู้นั้นเป็นผู้มีสติระงับตัณหาอันซ่านไปในโรคเสียได้เห็นโทษในกามเห็นการออกบรรพชาด้วยความกเกษมสลัดตนจากกามทั้งปวงแล้วได้บรรลุความสิ้นอาสวะ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 และอสุรินทราหูหญิงประดับประดาด้วยทองแก้วมณีและมุกดาถึงจะมีคนสกาละและรักษาไว้ในตระกูลของสามียังประพฤตินอกใจสามีดังหญิงที่อยู่ในสวงอกประพฤตินอกใจมานพฉะนั้นจึงอยู่ น, นรชนผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณาแม้จะมีเดชมีมหาชนสกาละบูชา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 ทุบคามทุกตีด้วยเท้าด้วยมือและท่อนไม้ก็กลับวิ่งเข้าหาเหมือนหมู่แมลงวันที่ซากศพฉนั้นบุรุษผู้มีจักรสุขคือปัญญาปราถนาความสุขแก่ตนพึงเว้นหญิงเสียเหมือนกับบ่วงและข่ายที่ดักไว้ในสกุลในถนนสายหนึ่งในราชธานีหรือในนิคมบุรุษผู้ตกอยู่ในอำนาจของหญิง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 เร่นหัวความยินดีอันเป็นทิพย์จากกระพัดสมบัติในมนุษย์พระนางเทพอับสร อ, อันอยู่ในวิมานทองโดยไม่ยากเลยชายเหล่าใดไม่ต้องการหญิงประพุติพโมจันชายเหล่านั้นพึงได้คติที่ก้าวล่วงเสียซึ่งการมธาตุรูปธาตุสมภพและคติที่เข้าถึงวิสัยความปราศจากราคะโดยไม่ยากเลยชายเหล่าใด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 เป็นผู้ปราศจากความโกรธไม่มีความคับแค้นใจปราศจากความโลภไม่มีความลิษยาฝึกฝนตนแล้วละความโกรธได้แล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะจากปรินิพาน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 โกรธเกิดแต่ความไม่อดทนทีแรกเป็นของน้อยแต่ภายหลังเป็นของมากย่อมจริญขึ้นโดยลำดับความโกรธมักทำความเกี่ยวข้องมีความคับแคนมากวาจาของผู้ประกรอบด้วยโทระเป็นวาจาหยาบคายถัดจากนั้นก็เกิดปรามาส ถ, ถูกต้องกันต่อจากนั้นก็ชกต่อยกันด้วยมือต่อไป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 เรื่องร้อยลัดทั้งหลายอันศิเนหาผูกลัดเข้าอีกเป็นของสำเร็จด้วยใจนอนเนื่องอยู่เป็นอันมากย่อมทำให้บุคคลเดือดร้อนยิ่งนักผู้ใดไม่ทาความโกรธในบุคคลผู้ควรโกรธผู้นั้นเป็นสัตบุรุษย่อมไม่โกรธในการไหนบุคคลนั้นแม้จะโกรธก็ไม่ทำความโกรธให้ปรากฏนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวบุคคลนั้นแล ว, ว่า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 ด้วยตนเองณวันสำคัญนี้มาถึดเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเรามาปฏิบัติบูชาตามคำสอนของพระองค์เถิดอย่าประมาทมูเมาในชีวิตกันอยู่เลยโดยการระชั่วประพฤติทำใจให้ถ่องแผ้วแล้วเราจะพบความจริงที่พระองค์ตรัสรู้ มาถึงเรามาปฏิบัติตามศีลอันจะนำมาสึ้นความสุขศีลจะนำมา ส, สึ้นโชคประเสรสศีลจะพาไปสู่นิพพานศีลเป็นเปนเรื่องชำระอันวิเศษชีวิตนี้สั้นดักเหมือนฟองน า, นาเหมือนเกลียวขึ้นตั้งอย่ไม่ช้านานก็พลันมะลายไป ขอท่านทั้งหลายจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดชีวิตก็จะใจเย็นสังคมก็จกร่มเย็น